วันทำบุญเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจเป็นเหมือนอาหารของร่างกายบุญเป็นอาหารของจิตใจถ้าจิตใจไม่ได้รับบุญใจก็จะมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความวุ่นวายใจเดือดร้อนใจ แต่ถ้าใจมีบุญใจก็จะมีความอิ่มน้ำสำรวญใจมีพลังมีกำลังที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้านบุญนี่ก็เป็นเหมือนอาหารที่มีอยู่หลากหลายด้วยกันอาหารก็มีหลายชนิดมีทั้งอาหารหลักและอาหารเสริม อาหารหลักก็คืออาหารที่เราขาดไม่ได้ต้องรับประทานเป็นประจเช่นข้าวกับข้าวกับปลาน้ําเป็นต้นส่วนของเสริมอาหารเสริมเช่นขนมนมเนยผลไม้หรือข้อาหารเสริมชนิดต่างๆอันนี้เป็นเถี่ยว่าเป็นอาหารเสริมมีรับประทานก็ได้ไม่มีรับประทาน ก็ยังอยู่ได้อยู่บุญก็เหมือนกันบุญก็มีหลากหลายมีหลายชนิดเหมือนกับอาหารแล้วก็มีบุญที่เป็นอบุญหลักและเป็นบุญบุญเสริมบุญหลักก็คืออะไรก็คือทานการให้ศีลคือการละเว้นจากการทําบาปภาวนาคือการควบคุมจิตใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาดการฟังเทศฟังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือบุญหลักที่เราควรที่จะเสริมให้มีอยู่ควรจะทำอยู่ทุกวันเหมือนกับเรารับประทานอาหารหลักทุกวันส่วนอาหารรองถ้าเรามีโอกาสเราได้มาเราก็รับประทานไปถ้าไม่มีเราก็ปล่อยมันไปก่อน เช่นขนมนมเนยของข้าวของเครื่องดื่มชนิดต่างๆอาหารเสริมชนิดต่างๆถ้ามีก็รับประทานไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้มีอาหารหลักขอให้มีข้าวมีน้ำมีกับข้าวให้รับประทานก็อยู่ได้ใจของเราก็ต้องมีบุญหลักที่เราควรที่จะให้อยู่ทุกวัน เช่นทานควรจะทำอยู่ทุกวันทำมากทำน้อยก็อยู่ที่กำลังของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่ขอให้ทำทุกวันวันละบาทสองบาทห้าบาทสิบบาท mm hmm. แล้วแต่กำลังของเราจะใส่ไว้ในกระปุกก่อนก็ได้ mm hmm. เพื่อไม่มีวาไม่มีพระไม่มีคนมารับทานในวันนั้น เราก็เก็กบใส่กระปุกเอาไว้ทำให้มันเป็นนิสัยแล้วมันจะทำง่ายถ้าเรานานๆทำทีมันจะทำยากแล้วถ้าเราไม่ได้ทำใจของเราก็จะหิวโหวยจะอดอยากขาดแคลนเหมือนกับคนยากจนทั้งๆ ท, ที่เรามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากมายแต่ถ้าเราไม่ทำทางแล้วใจของเราจะรู้สึก หิวโหยจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ทำทานอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีความอิ่มหนงสำลาญใจจะไม่หิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ดังนั้นขอให้เราทำทุกวันจะทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวะญาติยาโยมก็ได้ เช่นที่บ้านเราก็มีพระอยู่สองรูปมีพระอาหารหันต์อยู่สองรูปมีพระพรหมอยู่สองรูปคือมีคุณพ่อมีคุณแม่เราทําอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เท่ากับเราได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ได้ทําบุญกับพระพรหมไม่ต้องออกไปหาพระอาหารหันต์ที่ข้างนอกบ้านให้ทํากับพระอาหารหันต์ในบ้านเราก่อน เมื่อทําเสร็จแล้วอยากจะไปทํากับพระอรหันต์นอกบ้านก็ค่อยไป ท, ทําทีหลังนี่คือทานควรจะทําทุกวันทํากับพ่อกับแม่ทํากับพี่กับนอ้องทํากับญาติสนิทมิตรสหายทํากับคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทําไปเถิดทําแล้วเราจะได้มากกว่าเสียสิ่งที่เสียไปเป็นสิ่งที่เราก็ ไม่สามารถทำให้ใจอิ่มได้มีเงินกองเท่าภูเขาแต่ถ้าไม่ทำทานในใจก็ยังหิวอย่างอยากยังอยากได้มากกว่าเดิมที่มีอยู่แต่ถ้าได้ทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วความอยากได้มากๆนี้มันจะอ่อนลงไปน้อยลงไปแล้วมันจะมีความสุขกับสมบัติที่มีอยู่จะมีมากมีน้อย ถ้าได้ทำทานแล้วจะมีความพอใจตบบใดที่ไม่เดือดร้อนไม่ขาดแคลนถ้าเราไม่ทำทานต่อให้เรามีมากเท่าไหร่เราก็อยากจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความหิวของใจที่ขาดจากการได้อาหารของใจคือการทำทานนี่เองนี่คืออาหารหลักข้อที่หนึ่งทานอาหารหลักข้อที่สองของใจ ก็คือศีลเราต้องรักษาศีลทุกวันให้ได้วันธรรมดาก็รักษาศีลห้าวันพระอย่างวันนี้ก็รักษาศีลแปเราจะทำให้ใจเราปลอดภัยจะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเข้ามารบกวนจิตลบกวนใจจะไม่มีเรื่องให้มาวิตกกังวลจะไม่มีปัญหาต่างๆให้มาแก้ เพราะเราไม่ได้ไปทําความเสียหายให้กับใครนั่นเองผู้ที่รักษาศีลได้จะอยู่อย่างปกติสุขจะไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครจะไม่มีใครมาจองเวรจองกรรมจะไม่มีใครมาจับเราไปลงโทษจัดไปขังคุกขังตารางตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายนี่คือ สิ่งที่ใจต้องการมากกว่าสมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็คือศีลเพราะถ้าไม่มีศีลแล้วเราจะไม่สามารถไปสู่สุคติได้เวลาคนตายนี่เรามักจะพูดกันว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดการที่เราอวยพรให้คนตายนั้นเป็นเพียงความปรารถนาดี ส่วนเขาจะไปได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขารักษาศีลได้หรือไม่ได้ถ้าเขารักษาศีลได้ไม่มีใครอวยพรให้เขาไปสู่สุคติเขาก็ไปของเขาอย่างแน่นอนถ้าไม่รักษาศีลต่อให้มีคนหมื่นคนพันมาอวยพรให้ไปสู่สุคติก็ไปไม่ได้เพราะนี่คือเรื่องของเหตุและผลเหตุที่จะทำให้สัตว์ ดวงวิญญาณของสัตว์โลกได้ไปเกิดในสุขติได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ไยเกิดเป็นเทเสเป็นพรหมได้เป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆได้เป็นพระอารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ศีลเป็นผู้นาพาไปดังนั้นขอให้เราพยายามรักษาศีลให้ได้ ขอให้เรามีฮิริโอตปะถ้าเรามีฮิริโอตปะเราจะสามารถรักษาศีลได้ฮิริแปลว่าอะไรฮิริแปลว่าความอายโอตปะแปลว่าอะไรความกลัวกลัวบาปความละอายในขณะที่ได้ทำบาปขอให้เราคิดว่าการทำบาปนี้น่าอับอาย ยิ่งกว่าแก้ผ้าเดินล่อนจ้อนไปตามท้องถนนการก้าผ้าเดินน่อนจ้อนไปทาที่สาธารณะต่างๆไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเสียหายไม่เหมือนกับการไม่รักษาศีลไปฆ่าผู้อื่นนี้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไปประพฤติผิดประเวณีก็ทําให้ผู้เดือดร้อนไปโกหกหลอกลวงไปเสพสุรายามเมาก็เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้เรามีคิริทุกครั้งที่เราทําบาปนี้ขอให้เราคิดว่าเราเลวกว่าคนที่แก้ผ้าเดินตามท้องถนนสีหน่าอับอายขายหน้ากว่าคนที่ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เสียอีกพอไม่มี ถ้าใครเขารู้ว่าเราทำบาปก็จะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเราด้วยเราเป็นบุคคลน่ารังเกียจไปแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราจะเป็นบุคคลที่สวยงามน่ารักน่าชื่นชมน่าคบค้าสมาคมการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาที่จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันไปได้อย่าง ถาววนก็อยู่ที่ศีล น, นี่เองถ้าไม่มีศีลแล้วรับรองได้ว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแยกทางกันไปถ้านอกใจกันไปประพฤติผิดประเวณีแล้วก็หลอกลวงกันโกหกกันอย่างนี้พอวันไหนเขาจับได้ขึ้นมาวันนั้นบ้านก็บ้านก็แตกสาแหลกก็ขาด อยู่กันไม่ได้ชีวิตครู่ที่มีความสุขก็จะแตกสะบ้นไปถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการอยู่กับผู้อื่นและเวลาตายไปไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย <c oughs> ก็ขอให้เรารักษาศีลให้มีฮิริความอายมีโอตตปะคือความกลัว กลัวกับผลของบาปที่จะตามมาต่อไปผลของบาปที่ตามมาที่เราเห็นได้ในปัจจุบันและที่เราไม่เห็นในอนาคตคือหลังจากที่เราตายไปส่วนที่เราไม่เห็นก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้กวดความกลัวขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปตกนรกนี่คือความกลัวบาปฮิริก็คือความละอายบาปถ้าเรามีฮิริมีโอตปะแล้วเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายนี่คืออาหารหลักข้อที่สองของใจหรือปัจจัยที่จะรักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปัจจัยข้อที่สามที่จําเป็นจะต้องมีก็คือภาวนา การฝึกฝนอบรมจิตใจให้อยู่ในความสงบการสั่งสอนจิตใจให้ฉลาดให้ไม่หลงไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาใจเราจะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจถ้าใจปล่อยให้คิดเรื่อยเปลื่อยใจก็จะไม่มีวันสงบ ถ้าอยากจะให้ใจสงบก็ต้องใช้สติดึงใจเอาไว้สติก็มีหลายลักษณะด้วยกันการบริกรรมพุทโธก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งถ้าเราบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุข ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความกัวงวลเดือดร้อนถ้าไม่คิดก็จะไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็จะไม่ทำให้ใจของเราเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปคิดถึงมันถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็เดือดร้อนได้แต่ถ้าเราควบคุมใจของเราไม่ให้คิดได้ ใจของเราก็จะเย็นจะสบายแล้วเราก็จะสามารถสอนใจให้มองเห็นความจริงได้ให้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันทุกข์เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่ถาวรเพราะว่ามันนึ่นของชั่วคราวเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็จะต้องทุกข์กันแล้วทุกคนจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเองดังนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปติดเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานี้จากเราไปเพราะถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะทาใจไม่ได้แต่ถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรื่อย ใจก็จะคลายความหลงคลายความยึดติดและเวลาถึงเวลาจะต้องสูญเสียไปใจก็จะไม่เดือดร้อนนี่คืออาหารหลักสามข้ออาหารหลักข้อที่สก็คือการฟังเทศฟังธรรมเราต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, รอยพระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยต้องฟังการอทิ์ฐานหนึ่งครั้ง คือวันพระนี้เองวันพระนี้เราเรียกว่าวันธรรมะ ว, วันฟังธรรมวันฟังธรรมก็คือวันธรรมะสวัสดิ์วันพระเป็นวันที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีแสงสว่างทาให้เราเห็นความจริงทำให้เรารู้จักรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ ความทุกข์ของเราเป็นเพราะว่าใจเรามองไม่เห็นความจริงพอไม่เห็นความจริงแทนที่จะเดินออกจากกองไฟเรากลับเดินเข้ากองไฟแทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์เรากลับเดินเข้าหากองทุกข์กันเช่นเราเดินเข้าหาอะไรกันตอนนี้เราเข้าหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายกันแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกองทุกข์ เพราะอะไรเพราะว่ามันต้อเสื่อมมันมีเจริญมันก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็มีความสุขแต่เวลามันเสื่อมเวลานั้นเราจะต้องร้องห่มร้องห้าเศร้าสศกเสียใจกันถ้าเรารู้ว่ามันจะทําให้เราร้องห่มร้องห้าเราก็อย่าเดินไปหามันสิเดินไปหาสิ่งที่จะทําให้เราไม่ร้องห่มร้องห้าสิ่งที่ทําให้เราไม่ร้องห่มร้องห้าคืออะไร ก็คือการทำบุญนี่การทำบุญการรักษาสีการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมให้เดินเข้ามาหาทางนี้แล้วใจของเราจะมีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายไปนี่คือการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขเป็นสุข เราจะได้ไม่เดินเข้าหากองทุกเราจะได้เดินเข้าหากองสุขกันอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้เป็นการเดินเข้าหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีเสือ่อมไม่มีหมดจากเราไปถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนี่คืออาหารชนิดที่สี่ก็คือการทำทานก็คือการฟังเทศฟังธรรม ชนิดที่ห้าที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือต้องเห็นทุกเป็นทุกเห็นสุขเป็นสุขเห็นว่าลาบยศสรรเสรนนี้เป็นทุกเห็นว่าการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นสุขขอให้เราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงทางถ้าเราไปเห็นว่า การได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดไม่ใช่เป็นความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีเจริญและมีมีเสื่อมหมดไปได้ นี่คืออาหารหลักของใจที่เราควรที่จะทำอยู่ให้อยู่เรื่อยๆทำทานรักษาสีงภาวนาฟังเทศฟังธรรม ท, ทสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นส่วนบุญลองบุญเสริมนี้เราก็ทำไปตามโอกาสบุญเสริมคืออะไรการอดทิศบุญ เวลาเราทำบุญเราก็อุทิศบุญได้บุญที่เราอุทิศนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่ขาดบุญผู้ที่ไม่ได้ทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำแต่บาป พ, พอตายไปก็เลยต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณผู้คนเหล่านี้จิตเหล่านี้จะสามารถรับประโยชน์จากการอุทิศบุญของเราได้แล้วก็ อนุโมทนาบุญก็คือแสดงความชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นด้วยการร่วมทำบุญกับเขาไปเช่นข้างบ้านเขามีบุญนิมนต์พระมาทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมาทำบุญอะไรเราก็ไปร่วมทำบุญกับเขาถ้าเขาไปทอดกระถิ่นทอดท้าป่าถ้าเราไปไม่ได้เราก็ฝากเงนินฝากทอง ไปร่วมทอดจบเขาอย่างนี้เราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วบุญต่อมาที่เป็นบุญเสริมก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องอย่าทำตัวเป็นคนคนอะไรคนเก่งคนอวดเก่งอวดดีอวดรูปขอให้เราทำถ่อมเนื้อถ่อมตนไว้จะดีกว่า คนอวดดีอวดเก่งนี้จะไม่มีใครเขาชอบที่หน้านั่นเองแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนที่ไม่มีใครรังเกียจจะเราจะมีเพื่อนเราจะมีมิตรและเวลาที่เราเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนเขาคอยมาช่วยเหลือเราแล้วก็บุญอีกอย่างก็คือการรับใช้ผู้ การช่วยเหลือผู้ถ้าเห็นใครเขาเดือดร้อนเขาทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เราพอจะช่วยได้ก็ช่วยกันไปเห็นคนแก่เดินข้ามถนนเห็นคนตาบอดอะไรอย่างนี้เห็นคนพิการที่เขาทําอะไรไม่คล่องแคล่วไม่สะดวกถ้าเราพอที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือเขาได้ก็ขอให้เราช่วยกันเถิดหรือว่า ช่วยงานสาธารณะต่างๆงานการกุศลต่างๆไม่ว่าจะทำช่วยทางโรงพยาบาลช่วยทางวัดช่วยทางโรงเรียนหรือช่วยในบ้านของเราก็ได้เห็นพ่อแม่ทำงานหนักเราอยู่ว่างๆเฉยๆก็มาช่วยพ่อช่วยแม่แบ่งเบาภาระอย่าปล่อยให้พ่อแม่ทำงานหนักแล้วเราอยู่อย่างสุขสบายนั่งดูทีวี ฟังเท่ฟังเพลงเล่นเกมอย่างนี้ก็ไม่ดีต้องช่วยกันแล้วจะมีความสุขจะมีบุญนี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทากันขอให้เราทำกันบ่อยๆแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับ อย่างวันนี้เป็นวันพระเราก็ต้องทำบุญพิเศษขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือแทนที่จะรักษาศีลห้าเราก็มารักษาศีลแปดกันเมื่อเรารักษาศีลแปดเราก็จะได้มีเวลามาภาวนามาทำใจให้สงบถ้าเราไม่รักษาศีลแปรักษาเพียงแต่ศีลห้าตอนเย็นเราก็กินข้าวเย็นได้เราจะดูละครเราก็ดูได้ เราจะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ไปเที่ยวได้เราจะนอนกี่ชั่วโมงเราก็นอนได้แต่ถ้าเราถือศีลแปแล้วเราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะได้มีเวลาว่างมาเจริญสติมานั่งทาใจให้สงบมาฟังเทพฟังธรรมแล้วเราก็จะได้พบกับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปดูละครไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปกินอาหารเลี้ยงไปทำอะไรต่างๆความสุขแบบนั้นสู้ความสุขที่จะได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เพราะจะทำให้ใจอิ่มเ อ, อิบมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ ใจสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเงินทองหรือไม่ไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่อยู่คนเดียวก็สามารถมีความสุขได้แต่ถ้าเรามีความสุขจากการมีแฟนเวลาแฟนไม่อยู่หรือเวลาแฟนไม่สบายเราก็จะไม่สามารถมีความสุขกับแฟนได้อันนี้เราต้องคิดถึงความแม่เที่ยงแท้แน่นอนบ้าง เตรียมตัวเตรียมใจอยู่คนเดียวบ้านฝึกอัดอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่ทุกข์ให้ได้การที่จะอยู่แบบไม่ทุกข์ก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมสอนใจทําใจให้สงบอย่างในวันพระนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราจะได้มีเวลามาหัดอยู่คนเดียวมาอยู่แบบไม่ต้องมีอะไร หาความสุขภายในตัวของเราเองหาความสุขเกิดที่เกิดจากความสงบของเราของใจของเราถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ของที่เรารักหรือคนที่เรารักเขาจากไปเขาไม่อยู่หรือเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆได้เราก็ยังสามารถ หาความสุขภายในใจของเราได้นี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เพวกเรามาสร้างกันถ้าเรามีบุญเหล่านี้แล้วใจของเราก็จะมีที่พึ่งไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจจะมีแต่ความสุขความสบายใจไปตลอดจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญ ในวันพระในวันธรรมสวัสดินี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้